บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายต่อไปเนื่องจากวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของปี2130จึงจะกล่าวโดยสรุปในหลักการปฏิบัติการปฏิบัติกรรมฐานที่ท่านเรียกว่าภาวนา ซึ่แปลว่าการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นนั้นเมื่อเราโดยหลักการปฏิบัติแล้วกุศลธรรมทั้งมวลมีลักษณะเป็นภาวนาคือสิ่งที่บุคคลจะต้องทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเวลาพูดถึงระดับบุญยกริยาวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือการบำเป็นบุญ ขอบคายข้องคำว่าภาวนาก็ขยายกว้างออกไปบางเรื่องเป็นการปฏิบัติกิจของพุทธศาสนิกชนในโอกาสต่างๆก็ถือว่าเป็นภาวนาเช่นการประพฤติตน อ, อดน้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่นท่านก็เรียกว่าภาวนาการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขต่อกันก็เป็นภาวนา การฟังธรรมการแสดงธรรมก็เป็นภาวนาการอุทิศกุศลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนให้แก่บุคคลอื่นก็เป็นภาวนาและแม้แต่การปรับความคิดเห็นของตนให้ตรงตามหลักธรรมคำสอนในศาสนาก็ถือว่าเป็นภาวนาลักษณะของภาวนาก็คือการสร้างความดีให้บังเกิดขึ้นและความดีที่บุคคลสร้างให้บังเกิดขึ้นนั่นเองจะทำหน้าที่ สลายความชั่วซึ่งตรงกันข้ามกับตนให้ลดลงไปโดยลำดับเช่นตัวอย่างบุคคลเพิ่มพูนศรัทธาให้บังเกิดขึ้นความเครียดแครงสงสัยในคุณของปัตตนาใจเป็นต้นก็จะค่อยๆจางลงไปจนถึงก็หมดสิ้นไปหรือบุคคลใช้ความเพียรพยายามในการละบาปหรือในการ บ, บ, บำเพ็ญบุญเมื่อบุคคลบาเพ็ญบุญอยู่นั้น บาปซึ่งโรงกันข้ามกับบุญก็จะถูกสลายไปด้วยกำลังของบุญความเพียรพยายามจึงชื่อว่าเป็นภาวนาแต่่อพูดถึงขั้นตอนของการปฏิบัติระดับที่เรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็จะพบว่าขอบข่ายของคำว่าภาวนานั้นได้ขยายวงกว้างออกไปซึ่งหมายถึงจะกระทำอย่างไรและจะเริ่มจากจุดใดก็ตาม ถ้าหากว่ากิเลส ท, ที่มีอยู่สามารถสงบลงไปได้ในระดับใดระดับหนึ่งและความดีที่ยังไม่มีได้มีขึ้นในระดับใดระดับหนึ่งก็ยังอยู่ในขอบข่ายของคาว่าภาวนาอยู่นั่นเองภาวนาจึงแบ่งออกเป็นสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานหรือบางทีก็เรียกว่าอารามณูปนิชฌาน ที่จริงก็เป็นเหตุเป็นผลของกันแลกกันคําว่าอารามานูปนิชานก็คือการตั้งสติเพ่งดูอารมณ์จะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อเพ่งดูสิ่งนั้นแล้วให้กิเลสสงบลงไปก็ชื่อว่าเป็นการเพ่งดูอารมณ์ด้วยกันอารมณ์จึงมีทั้งสิ่งที่เป็นรูปและทั้งสิ่งที่เป็นนาม สิ่งที่เป็นรูปคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายแต่ได้อย่างนั้นสามารถเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ทั้งนั้นเมื่อพิจารณาไปแล้วกิเลสสงบ ก, ก็ถือว่าเป็นสมถะภาวนาแต่ถ้าพิจารณาไปแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นสมถะภาวนาแต่บางอย่างก็เป็นเรื่องของความคิดจิตใจ ทีบุคคลได้เกิดเหนี่ยวนึกและเกิดความสงบขึ้นภายในใจบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องความดีของเราก็ได้ของบุคคลอื่นก็ได้แต่เหนี่ยวนึกมาแล้วใจเราสงบเชในกรณีของบุคคลอื่นเช่นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของเทวดาเมื่อน้อมรำลึกไปแล้ว ก็จะเกิดศรัทธาภาษาธาตุในบุคคล น, นั้นและในความดีที่บุคคล น, นั้นมีอยู่จนเกิดฉันทาอุสาหะที่จะน้อมนําเอาคุณธรรมความดีของท่านเหล่านั้นมาเป็นแนวในการดําเนินชีวิตของตนฉันทาที่บังเกิดขึ้นคือความพอใจที่บังเกิดขึ้นก็เสริมสร้างให้เกิดความเพียรพยายามจิตใจมุ่งมั่นที่จะรับผล บนเส้นทางของการสแสวงหาเพื่อสัมผัสผลนั้นก็จะใช้ปัญญาพิจิรพิจนาเลือกเฟ้นไปโดยลำดับใจจิตใจของบุคคลสงบขึ้นจะด้วยสงบขึ้นด้วยศรัทธาจะสงบขึ้นโดยตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือว่าน้อมนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติก็ชื่อว่าเป็นภาวนาในฐานะนั้น บางอย่างเป็นเรื่องของการเหนียวนึกถึงความดีของเราเองจะ น, นึกถึงทานที่เคยสละมานึกถึงศีลที่เคยรักษามาหรือนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตุ่มน้ำเพริมาเมื่อนึกไปบ่บอยๆแล้วก็จะเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นภายในจิตใจจิตใจที่ประกอบด้วยปีตินั้น แม้ก่อนหน้านั้นจะมีความโกรธความไม่พอใจอยู่แต่พอปีติบังเกิดขึ้นอาการเหล่านั้นก็สงบไปพอต่อจากนั้นจะมีกายสงบมีวาจาสงบใจสงบเพิ่มขึ้นที่ท่านเรียกว่าปัจจิตจิใจของบุคคลก็ตั้งมัน่นมาพิจารณาเห็นว่าเราทำความดีขนาดนี้ให้ปีติปราโมทย์ขนาดนี้ แต่จะทำความดียิ่งกันไปกว่านั้นปีติปราโมทย์ก็จะสูงขึ้นกินระยะเวลานานขึ้นและมีผลยืดยาวมากยิ่งขึ้นจิตใจก็จะเกิดความมุ่งมั่นที่จะสัมผัสปีติปราโมทย์ให้สูงขึ้นแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบทางที่จะให้เกิดปีติปราโมทย์ต่อไปธรรมาก็เดินขึ้นไปสู่ความสงบ แต่บางอย่างนั้นมองทั้งที่เราและบุคคลอื่นเช่นการน้อมรำลึกถึงความตายซึ่งในขณะนั้นที่จริงเรายังไม่ตายแต่เรียนเรื่องความตายจากบุคคลอื่นแต่เมื่อพิจารณาไปล้วก็น้อมเข้ามาหาตนเองว่าแม้เราเองก็จะเป็นเช่นนั้นไม่ลวงพ้นความเป็นเช่นนั้นไปได้ เวลาคนตายสัตว์ตายจิตใจก็จะไม่เศร้าโศกหรือจะไม่ดีใจเวลาศัตรูตายเป็นต้นสแสดงว่ากิเลสประเภทที่ทําให้จิตใจของบุคคลกัดแหวง่งสับสนไปตามอํานาจของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นก็สงบลงไปนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมฐานเรื่องบางอย่างนั้นเป็นการระลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป้าหมาย แต่ว่ามีคนเคยสัมผัสผลเหล่านั้นมาแล้วเป็นพวกอุปสมานุสติเระลึกถึงคุณของพระนิพพานนิพพานนั้นเราเองไม่ได้สัมผัสแต่ก็มีพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายท่านสัมผัสแต่เราเห็นการแสดงออกซึ่งจิตใจของบุคคลที่เข้าถึงนิพพาน ที่มีความสุขความสงบไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกไม่ว่าจะก่อให้เกิดความรักความช่างหรือความหลงก็ตามจิตใจของท่านมีความคงที่แล้วเกิดสัทธาเลื่อมใสในท่านผู้เป็นเช่นนี้ถึงสำนวนเหล่านี้อย่างในสมัยโบราณในสมัยพระพุทธเจ้าจริงๆคนที่ยังไม่รู้อะไรมากนักก็มีความรู้สึกว่าการพบเห็นพระหันที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นเป็นการดีท่านก็ไปหา แต่ต่อจากนั้นพวกศรัทธาภาษาธาต่างๆก็จะเกิดขึ้นติดตามมาภายในใจท่านและท่านก็ปรารถนาที่จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระหันท่านเป็นและก็ลงมือพระพฤติปฏิบัติแต่ใะอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ทำใจของบุคคลให้ส ง, งบด้วยกันทั้งนั้นซึ่งถ้าเรามองโดยหลักการปฏิบัติที่บุคคลในสมัยนั้นพระพฤติปฏิบัติมา อาจพรย์พบว่าก็ไม่มีรูปแบบกฎเกณฑ์อะไรที่วางลงไปตายตัวการจัดเป็นรูปแบบพิธีกรรมต่างๆนั้นเป็นการจัดขึ้นมาในตอนหลังตัวการสำคัญของภาวนาก็คือใจของบุคคลต้องสงบอยู่ในเรื่องนั้นแล้วเมื่อใจิตใจสงบแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นปีนิพิจารณาสิ่งเหล่านั้นที่ท่านเรียกอีกชั้นหนึ่งว่าวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานก็คือการมองเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงคือความจริงที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็มองเห็นอย่างนั้นเพตามปกติแล้วโลกเรานั้นถูกสิ่งต่างๆไป น, นั้นมากปกปิดเอาไว้หรือสมมติพับกันเข้าไว้หรือประกอบกันเข้าไว้ เราทำให้เราไม่เห็นสภาพที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเราเห็นรถก็ที่ที่ถูกคุ้มห่อเอาไว้เห็นคนก็ที่ถูกคุ้มห่อเอาไว้เห็นสัตว์ต่างๆก็ที่ถูกปกปิดเอาไว้แต่เราก็มองเท่าที่เราเห็นจากข้างนอกเจ้นกำหนดความสวยงามความไม่สวยไม่งามของคนก็กำหนดมาจากเปลือกนอก เช่นบางทีไปดูที่การแต่งตัวเขาก็บอกว่าคนนี้แต่งตัวสวยคนนี้สวยที่จริงก็ไปการมองจากข้างนอกหรือว่าสัตว์นี้สวยแล้วก็มองมาจากข้างนอกก็ไม่ได้มองลึกๆหรือว่าคนนี้แต่งตัวไม่สวยสัตว์นี้ไม่น่ารักถ้าเกิดความรักความชังขึ้นมาโดยการมองจากข้างนอกการมองในแนวนั้นก็จะทําให้จิตใจของคนแกว้งไปได้่อย โดยอำนาจของความรักความชังที่ท่านเรียกว่าอภิชาติถูกมนันนั่นเพราะแนววิปัสสนาก็คืออาศัยความสงบที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจตนนั่นเองแต่มองสิ่งเหล่านั้นในลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคือ่อนเกิดความลุ่มหลงเกิดความบวบเมานั่นเองแต่มองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะยกตัวอย่างว่าจิใจไปกำหนดในแง่ของความสวยงามมีความกำหนัดความเพลิดเพลินขวายคว้าแสวงหาสิ่งที่เราคิดว่าสวยงามแล้วก็มองในจุดนั้นแหละจุดที่เคยกำหนดว่าสวยงามนั่นแหละแต่มองให้ลึกซึ้งลงไปเจาะลึกลงไปผ่านเสื้อผ้าผ่านผิวหนังเข้าไปจนที่ท่านบอกว่าแยกออกเป็นอาการสามสิบสองบ้างแยกออกเป็นธาตุสีบ้าง ก็จะมองเห็นว่าแ ท, ท้จริงแล้วมันเป็นการเกาะกลุ่มของธาตุตินน้ำลมไฟอากาศมีวิญญาณเข้าถือครองก็กลายเป็นรูปร่างเป็นชีวิตที่มีการกําหนดหมายกันว่าสวยงามเป็นต้นแต่พอย่อยออกไปอย่างที่ทรงสอนให้ดูคล้ายๆกับไปในตลาดค้าเนื้อราคาเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายแต่ในตลาดนั้นก็ไม่มีทั้งหมูทั้งวัวทั้งควายมีแต่กอง ของส่วน ต, ต่างๆอวัยวะต่างๆของสัตว์เหล่านั้นวางกระจัดกระจายอยู่ในที่นั้นๆเดิมทีเดียวนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแต่พอเกาะกลุ่มกันข้าวมันก็เป็นโคเป็นควายเป็นโมแต่พอย่อยออกไปแล้วก็กลายเป็นเนื้อแล้วเนื้อนั้นก็ย่อยออกไปได้โดนดับมันกลายเป็นดินน้ําลงไฟอากาศแล้วดินน้ําลงไฟอากาศก็ย่อยไปมันกลายสักแต่ว่าเป็นอนูของดินของน้ําของลมเป็นต้น จนกลายเป็นปรองไปก็แสดงว่าการมองแนววิปัสสนานั้นคือการเข้าถึงความจริงอย่างแจม่มแจ้งต้องการจะถ่ายถอนความกำหนัดความเพลิดเพลินความยึดติดหรือแม้แต่ความชังต่างๆที่มีอยู่ในคนในสัตว์ออกไปแสดงว่ากิเลสเป็นเหตุให้กำหนดหมายบอกเป็นเราเป็นของเราเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราไม่ว่าจะกำหนดในแง่เพิ่ม ราคะเพิ่มโลภะหรือว่าเพิ่มโทสะก็ตามก็จะลดตามลงไปนี่ก็คือแนววิปัสสนาในการสอนแนววิปัสสนานั้นเป็นสังเกตว่ามีลักษณะเป็นหนมย่อกอับหนมบุมเพราะกิเลสนั้นเกิดขึ้นจากการกำหนดอารมณ์ในสองแนวแนวหนึ่งที่ท่านเรียกว่าคือเอากันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเป็นสิ่งของ แล้วกำหนดว่าดีหรือไม่ดีให้ลองสังเกตว่าการที่เรากำหนดคนว่าดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยนั้นเราบางทีเราไม่กำหนดทั้งหมดแต่กำหนดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งหรือบางทีก็รวบไปทั้งคนเลยแล้วเวลารวบก็รวบหายไปบางทีก็ทั้งโคตรทั้งสกุลอะไรต่างๆคือทั้งดีและทั้งไม่ดีนั้นจะมีการรวบหรือบางทีก็แยกแต่สรุปว่าจะรวบหรือจะแยกก็ตามก็เป็นเหตุได้เกิดกิเลสได้กัน กิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดเพิ่มขึ้นกิเลสที่เกิดแล้วก็จเจริญ ม, มากยิ่งขึ้นที่ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมภายในสังคมพึงสังเกตเช่นอาการความรักความชังที่แรงนั่นคือกำหนดในแนวรวบสันทากาติเกิดลำเอียงเพราะรักใคร่กันมันจะตีลูกกระเทือนกันไปเป็นแถบไปไหนความรักที่เกิดเพราะความรัก สมมติว่าคนนี้เป็นเพื่อนเราและคนนั้นเป็นพ่อแม่ของเพื่อนเราเราก็รักคนนั้นเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเราก็รักคนนั้นเป็นญาติของเพื่อนเราเราก็รักคนนั้นเป็นคนบ้านเดียวกับเพื่อนเราเราก็รักมันก็กระจายออกไปเรื่อยๆและในที่สุดเนี่ยการวิเคราะห์ตัดสินบุคคลซึ่งกระจายออกไปมันก็น้อยลง บางทีเราก็เข้าไปรับประกรันความดีงามของบุคคลหลอดนั้นทั้งๆที่เราไม่รู้ว่าจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าอาศัยว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนแต่นั้นเองก็เลยก็ไปรับประกรันเข้าสมายความว่าโมหะมันก็เกิดสูงขึ้นเพราะโลภะแก่นําออกไปมากหรือความรักนั่นนาออกไปมากก็กลายเป็นรูปอัตติที่เล่นพักเล่นพวกเล่นภาค ก, กันด้วยประการต่างๆที่จริงแล้วมันก็มาจากจุดของความคิดที่อาศัยราคะหรือโลภ เป็นตัวกําหนดในเบื้องต้นนั่นเองแต่มันก็ลากไปเป็นแถบๆไปคือจะลากไปเป็นเป็นประเทศไปอะไรก็ได้แต่ว่าจุดเริ่มต้นมันก็ลากไปจากนี้หรือบางทีเรากําหนดในแนวของการไม่ชอบไม่ชอบมันก็ลากตัวเองออกไปแต่ความโกรธที่เกิดเพราะความโกรธความโกรธที่เกิดเพราะความรักแล้วก็ลากออกไปได้ความโกรธที่เกิดจากความโกรธเช่นยกตัวอย่างว่า นายกอเป็นศัตรูกัเรานายขอเป็นเพื่อนกับนายกอเราโกรธนายขอด้วยเพราะว่าเป็นพวกกับศัตรูเรานี่แสดงเห็นว่าความโกรธนั้นมันเกิดจากความโกรธนายขอนั้นไม่รู้นอยโนี่อะไรเลยแต่ถูกโกรธไปด้วยเพราะเหตุว่าเกิดเป็นพวกกับนายกอซึ่งเป็นศัตรูกับเราอีกต่อหนึงดังนั้นความคิดเหล่านี้ก็กระจายออกไปเป็นพวกเป็นภาคเป็นเพื่อนเป็นแถไปเช่นเดียวกันในทีสุดก็สร้างปัญหา การเล่นพักเล่นพวกการถือเราถือเขาแบ่งเป็นพวกเราพวกเขาศัตรูเราศัตรูเขาเป็นต้นเหล่านี้เป็นเป็นความคิดในการสร้างปัญหาและจากจุดนี้เอง อ, อาจจะมองในแนวรวบหรือว่าแนวย่อยก็ได้แต่ยังไงก็ตามก็คงมีปัญหาดังนั้นเวลาสอนในแนววิปัสสนาก็คือสอนให้มองในแง่นั้นเองแต่ว่าใช้ปัญญาเข้ากำกับ เรคือแยกมองรวบก็มองรวบไปเลยแล้วก็ย่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปเป็นดินน้าลงไฟอากาศหรือเป็นอาการสามสองผลผลด้วยควาหนังเป็นต้น <c oughs> ก็เพื่อจะถ่ายถอนความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความบวบเมาให้ออกไปจากกิจใจนี่แสดงเห็นว่าอารมณ์ของกรรมฐานที่ใช้กำหนดระลึกหรือกำหนดพิจารณานั้น <c oughs> ก็เป็นตัวธรรมชาติธรรมดา ที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองเคยเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมานั่นเองแต่ว่าใช้ความสงบหรือใช้สติกับปัญญาเข้าไประลึกรู้อยู่ในเบื้องต้นแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาในช่วงต่อมาเพื่อจะสลายสิ่งที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่จิตใจตลอดถึงสังคมมันเป็นส่วนรวม อีชั้นหนึ่งบางครั้งเนี่ยการพิจารณาในแนวนี้นสังเกตว่ามอาจจะจับตรงไหนก็ได้อย่างพระอระหันต์ทั้งหลายในอนดีตบางองค์ท่านก็มองก้อนเมฆเอาบางองค์ท่านก็มองน้ําไหลบางองค์ก็มองพยับแดดบางองค์ก็มองขึ้นที่ซัดเข้ามาหาฝั่งบางองค์ก็มองใบไม้บางองค์ก็มองน้ําที่ไหลที่จากล่างเท้าบางองค์ก็มองเรียวเทียนบางองค์ก็มออกมองที่ควันทู่เป็นต้น คือสรุปว่าจะมองอะไรก็ได้ข้อสำคัญอยู่ที่ใจสงบจากกิเลสตะดันเวลาท่านนิยามความหมายของคำว่ากรรมฐานเนี่ยสมถะกรรมฐานคือการทําใจของตนให้สงบจากนิวรณทั้งห้าประการคือการมาฉันความคิดถึงด้วยอำนาจความรักใคร่ความพอใจในสิ่งนั้นพยาบาด ความคิดในทำนองจองร่างจองผานต้องการโต้อ ต, อตอบแก้แค้นทำลายล้างขวายที่ทำให้ตนไม่พอใจตีนามิธอาการง่วงเหงาหาานอนซึ่งซึม ง, ง, ง้อยเงาหดหูเคลื่อเคลื่อจุดชือชาเย็นที่มีอยู่ภายในใจอุตจักกุกจะความฟุ้งสั้นทัดสายของจิตจนไม่อาจจะควบคุมได้กลายเป็นความรู้สึกรำคาญหงุดหงิดขึ้นมาและถ้าปล่อยให้ต่อไปก็จะกลายเป็นพยาบาทอีก วิจิกริษาความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจปักใจลงไปไม่ได้ในคุณของ พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นตน้นคือถ้าสงบพวกนี้ได้ก็ถือว่าเป็นสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาได้ทั้งนั้นมองอะไรไม่สำคัญสำคัญว่าสงบอะไรถ้าสงบไม่ได้ถึงจะมองสิ่งดีวิเศษยังไงก็ตามก็ไม่ใช่เป็นสมถกรรมฐาน แต่ว่าแน่นอนการปฏิบัติในเบื้องต้นจะให้ส ง, งบในทันทีทันใดไม่ได้เป็นเรื่องก็ค่อยทำก็ค่อยไปเป็นการกค่อยๆเก็บกค่อยๆสั่งสมเหมือนกับ ก, การสั่งสมความรู้ในหนังสือตำหนักตำราต่างๆนั่นเองที่จริงก็เก็บสั่งสมไมไปๆๆแล้วในที่สุดเยอะมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็ออกมาช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจหนังสือต่างๆได้แต่บางครั้งก็อาจจะเอาตัวกิเลสมาเลย มาเป็นเครื่องกําหนดพินิพิจนาซึ่งก็ น, นี้เพื่เห็นตัวอย่างในหมวดที่ทรงแสดงที่เกี่ยวกับ น, นิวรณ์เรียกว่านิวรณะปปะพระคือหมวดของนิวรณ์ก็ให้ดูกิเลสดูกิเลสแล้วมองกิเลสว่าเป็นปัญหาเป็นเหตุแต่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในขณะนั้นๆทั้ทงในขณะต่อไปถ้าเป็นความทุกข์ในสังสารวัฏจนกลายเป็นโครงขังเราเอาไว้ในสังสารวัฏให้หมุนวนจนได้เกิดแก่เจ็บตาย เราก็ประสบความทุกข์จากการเกิดการแก่การตายอยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดโดยการสืบต้นต้นเขาที่มาของกิเลสแต่ละค้อแล้วก็หาวิถีทางที่จะดับกิเลสต่อ น, นั้นและการดับในช่วงขณะหรือการดับที่ระยะการยาออกไปตลอดถึงการดับที่ถาวรซึ่งแน่นอนว่าเบื้องต้นมันก็ดับแต่ละขณะให้ได้ก่อน แล้วก็คืบครานเข้าไปให้ดับมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นการดับที่ถาวรดน้นก็หมายความว่าปริมาณของกุศลธรรมจะต้องมีเพิ่มขึ้นก็ทํานองคล้ายๆกับต้องการจะทําน้ําให้น้ําในสระให้สะอาดก็ต้องเพิ่มน้ําบริสุทธิ์ให้มากยิ่งขึ้นจนท่วมทนจนสลายจนผลักดันน้ําที่ขุ่นข้นเหล่านั้นให้ค่อยจางไปจางไป โดยมีเป้าหมายอยู่ที่น้ําทั้งสะสะอาดแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นเราก็จะรับประโยชน์ตามสมควรแก่ฐานะนี่นนแสดงว่าอาศัยพวกกิเลสเป็นเครื่องละกิเลสคือมองเห็นโทษของกิเลสแล้วก็พยายามละกิเลสเหล่านั้นทํานองทานองเดียวกับบุคคลไปอยู่ใกล้ที่สัตว์ร้ายหรือมีสัตว์ร้ายกําลังจะทําอันตรายก็ต้องมองเห็นโทษของสัตว์ร้ายเหล่านั้นใด้ชัดเจน แล้วก็เพียนพยายามที่จะหลีกหนีให้ได้ประการต่อไปเป็นการมองมาจากกลุ่มของกุศลและธรรมที่เป็นผลที่ท่านเรียกว่าการเจริญกรรมาฐานมีปนานิพาน์เป็นอารมณ์เป็นการสร้างเป้าหมายที่ไกลข้อนี้เราสังเกตว่าคนเรานั้นถ้าตั้งเป้าหมายต่ำๆหรือใกล้ๆความเพียรพยายามจะหย่อน เช่นสมมุติว่าคนอาจจะมีกําลังวิ่งได้สักสี่ห้ากิโลหนึ่งแต่ก็ตั้งเป้าไว้จะวิ่งสั ก, 100กร้อย ก, กิโลหรือสักยี่สบกิโลสาสิบกิโลเนี่ยเพรมันทําให้ความเพียรพยายามนี่สูงแต่การปฏิบัติกรรมาฐานเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนท่านสรุปว่ามีพระอาหารหันต์เป็นยอดด้วยความว่าพูดตั้งเป้าสูงเอาไว้เพื่อให้ใช้ความเพียรพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนให้มาก ทำนองกับเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าจะคิดจะเรียนอจบปริญญาตรีก็พอแล้วพอทํางานทําการได้แล้วไอ้ความกระตือรือร้นก็น้อยแต่ถ้ามุ่งจะเป็นปริญญาเอกให้ได้แต่มุ่งไล่ให้ได้สักหลายเอกหนึ่งไอ้ความเพียรพยายามที่จะปรับพื้นฐานตัวเองให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆสูงขึ้นแล้วจะรับผลตามที่ตัวมุ่งมา่ปรารถนาก็จะมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วใครก็ไปถึงนั้นไม่ได้ทั้งหมด แต่การตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้สูงสูงเป็นตัวผลักดันให้เกิดอิทธิบาทเรียกว่าครบทั้งสี่ประการแล้วก็มีกำลังมากกว่าปกติด้านการเจริญกรรมาฐานประเภทมีนิพานเป็นอารมณ์พระเจ้าก็สอนในทดลองดับทดลองดับกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะดาวที่ไหนก็ได้ ถ้าตรงเดียงมาจากอยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาก็ก็ให้ดับมาเลยทดลองดับดูเราจะเห็นว่าไอ้นิพพานที่แปลว่าดับกิเลสนั้นที่จริงเราสามารถดับได้ในแต่ละขณะมันไม่ใช่นิพพานเต็มรูปหรอกแต่เป็นการอธิบายเข้าใจสภาวะของนิพพานว่าเมื่อกิเลสกดับไปจา ก, กจิตได้ ไอ้ความทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสซึ่งจะเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ความสุขจะเกิดขึ้นมาแทนที่แล้วเราก็สัมผัสความสุขในขณะนั้นๆตามสมควรแก่กําลังการปฏิบัติของเราทํานองคล้ายๆกับให้บุคคลทดลองชิมอาหารที่อร่อยดูก่อนซึ่งแน่นอนในชั้นแรกก็คงไม่กินเป็นกิ จ, จลักษณะอะไร แต่จะชิมมาแตะลิ้นดูเห็นว่าอร่อยแล้วจะชิมชิ้นตัวขึ้นพอเกิดพอใจติดใจก็จะรับประทานมากยิ่งขึ้นถ้าไม่มีก็ต้องใช้ความเพียรพยายามขวนขวายเอานั้นก็คือเป็นการเจริญกรรมฐานจากสายของนิโรธเจ้านายผู้อนุสติก็คืออุปสมานุสติในมาสติประฐานก็คือนิโรธสัตต์ตั้งเป้ามาจากตรงนั้น ได้ส่วนใหญ่แล้วก็คือเริ่มมาจากสายของมักกะสัดคือเริ่มที่สายของกุศลธรรมเพราะอารมณ์ก็กรรมฐ า, านส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่ตัวกุศลธรรมกับที่ตัวอัพยากตะธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางกลางเพราะว่ากิเลสนั้นบางชีเนี่ยถ้าใจเราไม่กล้าจริงๆคล้ายๆกับคนที่กลัวผีแต่ปล่อยไปนึกถึงผีแทนที่จะหายกลัวก็เกิดกลัวมากยิ่งขึ้นมันก็มีปัญหาเหมือนกัน ดังนันใ น, ในทางปฏิบัติก็ถอยห่างเสีก่อนถอยห่างพวกกิเลสเสก่อนก็มาเริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นกลางๆซึ่งไม่ใกล้ต่อการกระตุ้นกิเลสแต่อารมณ์ที่ใกล้ต่อการกระตุ้นกิเลสก็ไม่ให้พิจารณาเหมือนกันเพราะว่าในขณะนั้นจิตใจเรายังไม่มั่นคงยังไม่เข้มแข็งมากพอแต่เมื่อจิตใจมั่นคงเข้มแข็งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนพวกกุศลและธรรมนั้นปัญหาสําคัญว่าพึงสังเกต ไม่ว่าเราจะจับจากจุดใดก็ตามมันเป็นฐานที่จะรองรับความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจยกตัวอย่างเช่นเราอาจะเริ่มที่ศีลข้อปานาติบาจากข้อหนึ่งจิตใจของบุคคลก็จะสงบกายก็จะสงบวาจาก็จะสงบเพราะมันการความผิดเหล่าอื่นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตเขา เกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาเกี่ยวกับคู่ครองของเขาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเขาเมื่อรางดเว้นการทําลายเขาได้และปริมาณของความรู้สึกเหล่านั้นมากลายเป็นเมตตาไอ้ความคิดที่จะละเมิดทรัพย์สินคู่ครองผลประโยชน์ต่างๆก็จะสงบระงับลงไปแล้วก็จะเป็นฐานให้จิตใจสงบความพยาบาทในตัวนิวรณ์แล้วก็เป็นเหตุให้ถ่ายถอนปฏิฆะในตัวอนุสัยเป็นต้นลงไปโดยดับดัด การธรปฏิบัติในส่วนของขุสนธรรมทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายมุ่งไปสู่ความสงบความรู้ยิ่งความรู้ดีและความดับเป็นเป้าหมายและด้วยการปฏิบัตินั้นจะเริ่มจากจุดใดก็ได้ในที่สุดก็จะเกิดเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้ดีความดับตามสมควรแก่การประพฤติ ป, ปฏิบัติของตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตามความสงบสืบต่อไป